ธรรมะอะไรเป็นที่พึ่งตัวจริงของเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้จริงหรอกนะมีแต่ธรรมนะนัเป็นที่พึ่งได้จริงๆฝากเป็นฝากตายได้จริงๆนี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งตายไปเนะมื่อวานเพิ่งไปเผามานะนี่ขนาดภาวนานะเหมือนอย่างพวกเราอย่างเงี้ยแหละภาวนาอย่างสาวสาวอย่างเด็กๆเป็นมะเร็งนะให้คีโมทั้งสมรอบไม่รอดนะตายแองแองนี่ตอนตายเขายังถ่ายรูปมาให้ดูเลยนี่ ยิ้มหวานเลยเบิกบานดูสดใสกว่าพวกเราหลายคนในนี้นะ <c oughs> นี่ตายไปหลายชั่วโมงแล้วนะอมยิ้มแก้มตุ่ยเลยนี่เขไม่ได้ไปตบหน้าจัดด้วยนะเขาบอกพอเข้าไปเจออย่างนี้เขาก็ถ่ายมาเมื่อ <c oughs> พวกเราภาวนานะได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งของตัวเอง <c oughs> เวลาความทุกข์มันบีบคั้นเข้ามาทางร่างกายจิต <c oughs> ใจมันอยู่ต่างหาก มันจเห็นกายทุกไปใจไม่ทุกด้วยเนี่ยเราฝึกให้เต็มที่นะฝึกให้ดีคความทุกข์ทางร่างกายเพราะเราต้องเจอแน่นอนวันหนึ่งอ่ะ เ, เจออย่างแสนสาหัสนะตายทุกรายเราต้องเจอความทุกข์เข้าสักรอบหนึ่งแหละบางคนก็มากหน่อยบางคนน้อย น, ะนอนหัวใจวายไปนะแต่อย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้ตายสบายขนาดนั้นมันไม่แน่ มันไม่แน่ไม่รู้ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่รู้ว่าจะทุกข์ขนาดไหนจะตายอย่างเขียดหรือว่าตายอย่างนักปฏิบัติอยู่ที่เราฝึกของเราเองนะหลายคนเลยที่ตายได้สง่างามทำให้คนที่ไปเห็นเนี่ยนะสนใจการปฏิบัติขึ้นมานี่จะตายแล้วยังเป็นครูเขาได้อีกนะตายแล้ว ท, ทำให้คนอื่นอยากปฏิบัตินี่คุณสุมเมธจทมาเล่าคนที่ไหนนะแม่หม อ, อแม่หมตายตายมีประโยชน์ ตายแล้วคนอื่นอยากปฏิบัติอีกหลายคนเนอะาเวลาตายไม่ทุรนทุรายนะตายด้วยความมีสติจิตใจเบิกบานร่างกายทุกทรามานจิตใจเบิกบานต้องฝึกถ้า ฝ, ฝึกมากเข้ามากเข้ากว่า น, นั้นอีกนะจิตใจยังไม่ทุกข์ด้วยเลยความทุกข์เข้ามาในกายนะจิตใจก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นทางใจก็ไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์ ใจมันโปร่งมันโล่งมันเบามีความสุขอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนมีความสุขที่สุดเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบอยู่ที่การฝึกของเราเองงั้นถ้าเราเมื่อไร่เราภาวนานะจนเราได้ธรรมะได้ธรรมะเรารู้อริยสัจไม่ได้รู้อะไรหรอกไม่ใช่ได้ธรรมะคือซื้อพระไตรปิฎกมาได้ชุดหนึ่งเก็บเงินซื้อได้ห้าหมื่นบาทอะไรเงี้ยอันนั้นไม่เรียกได้ธรรมะหรอกเรียกได้หนังสือ ไม่ค่อยอ่านด้วยชอบซื้อพระไตรปิฎกไปถวายวัดไม่มีพระอ่านหรอกหายากเห็นได้ธรรมะต้องเห็นอริยสัจ ต, นะต้องรู้ทุกรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษละสมูทไทยได้นะสมูทไทยคือตัวตันหาแจ้งนิโรธแจ้งพระนิพพานจเจริญมรรคอริยมรรคเกิดขึ้น ว่ารู้ทุกนะละสมูทไทยแจ้งนิโรธเจริญมรรคถ้าขยายความต่บไปอีกก็ได้นะทุกคืออะไรนะถ้าขยายให้เป็นสองก็เป็นทุ ก, ก็คือรูปแลนามให้รู้รูปรู้นามนะสมูทไทยนะขยายให้เป็นสองก็คืออวิชากับภาวะตัณหานะถ้าแยกออกเป็นสองอวิชากับภาวะตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องละ นิโรธถ้าแยกให้เป็นสองนะคือวิชากับ ว, วิมุตตนะ์มรรคที่จะเจริญนะคือสมถะกับ ว, วิปัสสนาถ้าแยกให้เป็นสองนะแยกได้แยกสามก็ได้แยกสี่ก็ได้นะเมื่อแต่สติปัญญานะแต่ถ้ารู้ทุกคนไหนรู้ทุกแจมแจ้งนะคนนั้นละสมุทยัยคนนั้นแจ้งนิโรธคนนั้นเกิดรนะยมรรคคนไหนที่ละสมุทัยไดนะ้แสดงว่าคนนั้นรู้ทุก แจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคคนไหนแจ้งอริยมรรคได้นะแสดงว่าคนนั้นรู้ทุกขล้าสมูทยัยเกิดอริยมรรคคนไหนเกิดอริยมรรคได้แสดงว่ารู้ทุกขล้าสมูทยัยแจ้งนิโรธได้นะเวลาทํากิจของอริยรรสัจสี่เนี่ยทำอันเดียวนั่นเองแล้วก็ทําเสร็จเสียอันเลยนะทําอย่างเดียวคือรู้ทุกข์ไปนี่จะรู้ทุกข์ได้ดีนะจะเรียกว่าทํำวิปัสสนา จะทำได้ดีก็มีสมถะหนุนหลังอยู่ทำความสงบบ้างทำความสงบบ้างเดินปัญญาบ้างสงบบ้างเดินปัญญาบ้างนะสลับกันไปวันไหนจิตใจฟุ้งซ่านดูกายดูใจไม่ได้ก็ทำความสงบเข้ามาพักผ่อนะมันฟุ้งมากไม่รู้จะทำอะไรพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเล่นๆ น, นะอย่าไปพุโทโธแล้วไปเข้นให้จิตสงบพุโทโธแล้วไปเค้นจิตให้สงบจิตไม่สงบ เคล็ดลับของการทําสมถะอยู่ที่ความสบายต้องมีความสุขนะให้จิตมีอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มันมีความสุขเคยมีพระองค์หนึ่งลูกสิทธิ์หลวงพ่อพุธนะคิดถึงแฟนแล้วมีความสุขนะจะท่องชื่อแฟนไปเรื่อยท่องท่องท่อไปจิตรวมเลยสงบจิตสงบนะเห็นแฟนค่อยค่อเหี่ยวไปเรื่อยเยวเหี่ยวเ ห, ย ว, เหยวนะสุดท้ายตายเน่าไปเลยไปบอกหลวงพ่อพุธว่าไม่เอาแล้ว คราวนี้พุทโธได้แล้วให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขนะก็พุทโธเล่นๆไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปรู้อย่างมีความสุขไม่ใช่รู้แล้วบังคับใจให้นิ่งคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปนะทําไปจิตใจมีความสุขเนี่ยจิตใจจะสงบจิตใจที่ไม่สงบนะเพราะจิตใจไม่มีความสุข จิตถึงต้องดิ้นหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจดิ้นหนีอารมณ์ที่ไม่พอใจไปเรื่อยๆนะจิตถึงฟุ้งซ่านงั้นถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตก็ไม่หนีไปไหนอย่างหลวงพ่อตั้งใจเจ็ดขวบมาฝึกอนาปนาสติหายใจแล้วมีความสุขนะไม่ได้หายใจแล้วก็นี่พวกนี้พวกไม่เอาไหนอันดับหนึ่งพวกไม่เอาไหนอีกพวกหนึ่งนะ พวกนี้สติอ่อนไปพวกนี้สติแข็งไปนะสติอ่อนไปเขาไม่มีความสุขลงหลงสติแข็งไปนะ ก, ก็ด้างใจไม่มีความสุขไม่สงบหายใจไปสบายๆอย่าไปบีบจิตนะหลายคนชอบทําสมถะนะเริ่มต้นในการบีบจิตบังคับจิตเราอย่าไปบังคับมันนั่งหายใจเล่นๆไปหายใจไปหรือพุโทโธไปหรืออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันทําเล่นๆไป นะแค่คอยรู้สึกคอยรู้สึกไปนะจิตใจที่มีความสุขมันจะสงบของมันเองนะนี่เคล็ดลับของการทําความสงบกว่าจะได้เคล็ดลับนี้ลําบากเหมือนกันนะตอนเด็กๆนะหายใจอยู่แป๊บเดียวเองหนะ้าไม่กี่วันหนึงวันสองวันหนึ่งนะจิตยวสงบนะเพราะตอนเด็กๆนี่ไม่รู้เรื่องไปเรียนมาจากท่านพ่อรีท่านสอนให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งอะไรเงี้ยพูดโทรนับสองอางเนี้ ทําแบบเด็กๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหายใจเล่นๆหายใจสบายๆใจสงบเลยปุ๊บเดี๋ยวสงบสว่างนะอยากรู้อยากเห็นอยากเที่ยวตุรัดตุเลไปไหนให้เขาไปนะหาสาระไม่ได้เลยไปไเรื่อยๆนะชอบเที่ยวถึงจนหนึ่งเกิดกลัวว่าถ้าเที่ยวไปแล้วไปเจอผีจะทำไงเป็นคนกลัวผีนะขนาดลูกแมวที่บ้านตายนะกลางคืนไม่กล้านอนหลับนะกลัวผีแมวมาเข้าฝันนึกลัวละเอียดละอ้อ <c oughs> เลยตอบจากนั้นนะเลยพยายามหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ให้จิตรวมสว่างแล้วก็หลงออกไปข้างนอกพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรื่อยๆฝึกอย่างนั้นมาเรื่อยๆค่อยๆสังเกตเล้วหายใจแบบนี้ผิดมาะหายใจอย่างนี้ผิดหายใจอย่างนี้เคลิ้มไปทีแรกก็นึกว่าดีนะเ อ, อหายใจแล้วเคลิ้มดีเคลิ้มไปเรื่อยๆวันนึ่งเคลิมๆคอจะเครียดป่ะ ถ้าจะไม่ดีไปนอนดีกว่าถ้าหายใจแล้วเคลิ้มๆนะทีนึงหายใ จ, จกลัวจะเคลิม <c oughs> หายใจอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงเลยเหนื่อยแทบตายเลยนะอาสาระแก่นศาสตร์ไม่ได้นี่เพราะไม่รู้อไม่รู้วิธีปฏิบัตินะหายใจรุนแรงอย่างนะั้นนะสมถะก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่มีหายใจทรมานตัวเองนะก็ใช้ไม่ได้แต่ได้หลักของการทำสมถะนะก็ ง, ง่ายนิดเดียวเลย สมถานี่เราต้องไม่ตั้งใจให้สงบอย่าไปบีบจิตนะหายใจไปแล้วก็รู้สึกไปหายใจไปแล้วรู้สึกไปนะไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับจิตนะสบายๆแป๊บเดียวก็สงบนะง่ายมากยากหรอกนั้นะสมถานี่วันไหนใจเราฟุง้งรู้กายรู้ใจไม่ได้นะเราก็มาทำความสงบพอมาแต่วันไหนจิตใจมีเรืย่ยมีแรงแล้วยาเอาแต่สงบนะสงบนานๆโง่ นะสมองฝ่อไม่ยอมคิดไม่ยอมนึกนะใช้ไม่ได้หรอกแต่ก่อนอยู่กับหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธชอบสอนเลยเวลาปฏิบัติหนะ้ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติตามรู้เนี่ยจะสไตล์นี้นะให้ตามรู้ไปยืนเดินนั่งนอนอะไรยืนเดินนั่งนอนร่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนนะกินดื่มทำ ใครทำร่างกายมันทําร่างกายมันกินร่างกายมันดื่มร่างกายมันทำํำพูดใครมันพูดร่างกายมันพูดหน้าที่ก็แค่มีสติตามรู้มันไป it, เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดไปเรื่อยๆนะไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้ห้ามมันแต่มีสติตามรู้มันไปเรื่อยๆ ผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติต่างกันนิดเดียวผู้ปฏิบัติไม่เป็นเนี่ย <c oughs> เขาก็ยืนเดินนัง่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเหมือนกับคนทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเหมือนคนธรรมดานั่นแหละต่างกันนิดเดียวคนธรรมดาไม่มีสตินักปฏิบัติมีสติเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําเห็นจิตมันคิดมันนึกมันปรุง ม, มันแตง่งนะเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางาน นักปฏิบัติกับคนปฏิบัติไม่เป็นต่างกันนิดเดียวนี่นักปฏิบัติบางคนอยากให้มันต่างมากๆจะได้ดูดีเดินก็ต้องเดินไม่เหมือนมนุษย์ปกตินะเดินก็ย่องใจก็ต้องไม่เหมือนคนทั่วไปอย่างนี้ก็มีนะบางคนก็จะกินน้ำสักแก้วหนึ่งนะกำหนดอยู่นั่นแหละกำหนดอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยๆกระ ด, ดิก โอยตายพอดีไตาวายขาดน้ำํำนะดู ก, กายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําไปดูใจมันคิดนึกปรุงแต่งรู้ทันมันรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายนะรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตใจไปแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรผิดปกติของคนธรรมดาเลยดังนะั้นเคยเดินยังไงก็เดินไป ถ้าจะช้าก็ช้ากว่าเดิม น, นิดหน่อยเท่านั้นนะไม่ใช่เดินจนช้ามากเดินช้ามากไม่มีประโยชน์สติไม่เกิดออกถึงเดินช้านะก้าวหนึ่งเดินครึ่งชั่วโมงเนะี่ยก็หลงได้เป็นพันพันครั้งไม่ได้รู้ตัวจริงไม่ก็เพ่งเอาไว้ถ้าไม่หลงก็เพ่งมีอยู่เท่านั้นเองหลงอยู่ก็ผิดนะเพ่งอยู่ก็ผิดหลงไปเนี่ยเรียกว่าการสุ ข, ขาริการุโยกมันตามใจกิเลสเพลิดเพลินไป เพ่งเอาไว้ก็เป็นอตัตตากิลมฐานโยกบังคับกายบังคับใจามว่ายัางไปเดินจงกรมย่องย่อ ง, องรู้สึกั้ยมันบังคับนะบังคับทั้งกายบังคับทั้งใจพ่อของแม่ชีนะสมัยก่อนนอนทหลวงพ่อก็ยังไม่บวชงั้นก็เลยเป็นพ่อตาหลวงพ่อด้วยนะวันหนึ่งนะสองตาใาญพากันไปเข้าคอร์สอะไรก็ไม่รู้รู้เหมือนกันแหละแต่ห้ามพูดนะสักพักหนึ่งนะพ่อตานีกลับมาบ้าน เรารีบไปเยวาวราชเลยไปซื้อโสมนะซื้อโสมซื้อเขาควางซื้ออะไรมาเตรียมบอกเนี่ยชวนให้เมียหนีกลับมาไม่ยอมหนีบอกอีเข้าใจผิดนะอีเข้าใจผิดนะอีไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างนั้นไม่ได้กนะว่าจะเดินนี่นะต้องนานเนะี่ยทรมานมากเลยจะทําให้กําลังตกต้องกินโสมแกคนจีนนะแก็บนึกว่าเขาไปเรียนเอ็กซเซอร์ไซส์กัน เล ย, ยเรียนอย่างนี้ผิดแน่นอนนะร่างกายแทนที่จะแข็งแรงไนดะ้ยิ่งแย่ไม่รู้จักว่าเดินจงกรมเป็นยังไงนะกลับมานะตัวเองรีบกินสมกันเลยไปอยู่ได้สองสามวันนี้กลับมานะส่วนเมีย น, นั้นอยู่ได้เจ็ดวันกลับมาสมสารกลับมายอกไปทั้งตัวนะต้องไปกินสมจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นการภาวนานะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะ รู้เพื่ออะไรนี่มาถึงปัญหาใหญ่ละเรารู้กายรู้ใจเพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อบังคับมันไม่ใช่รู้เพื่อให้กูเก่งแต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงของมันอย่างร่างกายถ้านั่งนิ่งๆ น, นะต้องปวดต้องเมื่อยมีใครนั่งนิ่งๆไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีหรอกยกเวน้นพวกเป็นโรคอะไรสักอย่างหรือถูกบล็อกถูกหมอหนึง่งเก บ, บล็อกไขสันหลังไนะว้ก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนะพ่กนพิการไปอะไรเงี้ย ร่างกายมันต้องปวดต้องเมื่อยพอคนทั้งหลายพอมันปวดมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถความปวดความเมื่อยก็หายไปงั้นอิริยาบถเนี่ยนะปิดบังความทุกข์ในร่างกายมันปิดบังความทุกข์ในร่างกายไว้ถ้าเราจะภาวนานะเราก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอิริยาบถตามใจเหมือนที่เคยทําปวดขึ้นมาก็ดิบไปคันขึ้นมาก็เกาไปไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยใจลอยตลอดนะทําไปโดยอัตโนมัตินะด้วยไขยสันหลัง อย่างไงก็ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนึงไปบังคับตัวเองนะนั่งสมาธิมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะย่านั่งให้หายปวดถ้าวันไหนนั่งโต้รุ่งได้ก็ว่ากูเก่งกูเก่งภาวนาแล้วกูเก่งขึ้นมามันใช้ไม่ได้ไมันต้องภาวนาจนเห็นว่าไม่มีกูนะภาวนาแล้วกูเก่งใช้ไม่ได้ภาวนาผิดงั้นเราภาวนาเพื่ออะไรเราจเจริญวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก ร่างกายเป็นแค่สภาวธรรมมาหนึ่งเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันนะเป็นวิญญาณธาตุเป็นนามธรรมนะก็มีความรู้สึกนึกคิดเข้ามาประกอบความรู้สึกก็คือเวทนานะการนึกการจําก็คือสัญญานะการคิดนะการคิดก็คือตัวสังขารนะคิดนึกนะรู้สึกนึกคิดเป็นตัวเข้ามาประกอบกับตัวรู้ตัวใจของเราเป็นตัวรู้ เราภาวนานเพื่อให้เห็นอะไรวความรู้สึกทางใจรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นแค่นํา ม, มาทํามันนึงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเช่นความสุขผ่านมาในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉย ch, ๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปภาวนาเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะความจําจําขึ้นได้ จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำการกระทบสัมผัสนะทีก็จำเพียนๆนะทีจำสัญญามีสองตัวนะจำได้กัหมายรู้นะฉะนนอะไรนิ่มๆมาถูกเราเนี่ยนะเราหันไปดูโอ้สาวมารูปรูปขาเราสาวมารูปขาเราออสาวรูปขาเนี่ยมันนิ่มๆแบบนี้แหละวันหนึ่งกำลังใจลอยอยู่นะมีอะไรนุ่มๆมารูปขาเรานะเราก็หมายรู้เลยนี่หมายรู้ หมายรู้เนี่ยก็จําได้เนี่ยต่างกันจําได้เนี่ยนะมันจําได้แม่นๆ่นเลยว่าอันนี้คืนนี้อันนี้คืนนี้หมายรู้เนี่ยใช้อนุมานเทียบเคียงกับข้อมูลเก่าไอ้นุ่มๆอย่างเนี้ยต้องสาวรูปอีกแล้วนะลืมตาขึ้นมาเป็นหมายขี้เลือนกําลังมาสีอยู่เนี่ยหมายรู้ผิดนะเพราะว่ามันจําสภาวะว่ากระทบนุ่มๆอย่างเนี้ยสาวมากระทบนั้นอาจจะจําแล้วก็พอดูของจริงไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นะสัญญามันทีหลอกลวง สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงกลางๆลางนะเช่นปิติก็เป็นสังขารอย่างหนึง่งนะความโลภความโกรธความหลงเป็นสังขารอุเบกขาเนี่เป็นสังขารศรัทนธะาวิริยะเนี่เป็นสังขา ร, ร, า ร, ารนะที่สิ่งเหล่านี้เป็นสังขารสังขารเกิดแล้วก็ดับไปเราไม่ได้พานาเพื่อไปให้เกิดสังขารที่ดี ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เกิดเวทนาที่ดีหรือภาวนาเพื่อให้มีสัญญาที่ดีไม่ได้มาภาวนาเพื่อให้มีจิตที่ดีนะแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เราหรอกทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับความเฉยๆเกิดแล้วก็ดับนะความจำได้หมายรู้นะก็ดับเคยมีหภาวนาอยู่ๆปุ๊บจิตไหวตัวรวมปุ๊บขึ้นมานะจไม่ได้เลย จำไม่ได้เลยความจําดับไปเฉยๆเลยหลวงพ่อเคยเป็นนะมีวันหนึ่งกลับจากทํางานนั่งเรือด่วนเจ้าพยาเรือด่วนเจ้าพยาเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยแทบจะพาคนดาเจ้าพยาอยู่เลยเพราะคนมันเยอะจริงๆนะแน่นเยียดเลยนะบางวันนั่งนะแล้วดีนะได้มรณสติดีไม่ไม่ประมาทเลยล่ะเขเข้าไปอยู่ข้างในนะถ้าเรือล่มออกมาไม่ได้รู้เลยออกไม่ได้นะ ขึ้นจากเรือที่ท่าน้ําเมืองนนทะ์นะขึ้นทุกวันอนะ่ะเดินผ่านหอ น, นาฬิกามาจะไปที่ป้ายรถเมล์เ ด, เดินเดินเดินนะใจมันรวมปุ๊บขึ้นมานะเฮ้ยนี่ที่ไหนวะไม่รู้เลยนะไอ้คนนี้มันใครก็ไม่รู้นะบ้านมันอยู่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันจะกลับบ้านมันจําไม่ได้เลยไม่ใช่อันไซเมอร์นะ อันนสัญญามันแสดงให้ดูเรื่องสัญญามันดับมันดับจริงๆนะมันไม่รู้เลยมันหมดการหมายรู้เลยเหลือแต่มีสติรู้สภาวะอยู่เนี่ยเห็นรูปมันยืนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นรูปภายในรูปภายนอกแต่ไม่รู้ว่ามันที่ไหนไม่รู้ว่ามันคือใครถามว่าตกใจไหมไม่ตกใจเลยนะสติมันดีไม่ตกใจรู้ว่าตัวนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน嘛เ <c oughs> ยืนๆไปสักพักหนึ่งก็นึกออก พ่อจะกลับบ้านไว้บ้านอยู่ทางนี้นะนี่สัญญาก็ดับให้ดูได้นะภาวนาไปมันดับให้ดูได้จริงๆนะทุกอย่างเกิดแล้วดับได้จริงๆสังขารที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลนะเกิดแล้วก็ดับได้ไมมีไหมจิต ด, ดีถาบอมมีไหมไม่มีหรอกก็ดีบ้างร้ายบ้างนะถามว่าจิตพระอราหารันต์เที่ยงไม่เที่ยงถ่ายสิชักยากหน่อยคาถามมันยากนิดหน่อย จิตพระอรหันต์ไม่เที่ยงไม่ใช่จิตพระอรหันต์เที่ยงนะจิตพระอรหันต์มีสองแบบนะสองแบบแยกได้หลายอย่างนะหลายดิเมนชันหลายมิตนะิถ้าแยกด้วยความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะจิตพระอรหันต์มีสองอย่างที่มีโสมนัสกับมีอุเบกขาไหมจิต ท, ที่มีโสมนัสมันก็ดวงหนึ่งจิต ท, ที่เป็นอุเบกขาก็เป็นอีกดวงหนึ่งคนละดวงกัน จิตพระอรหันต์บางดวงนะประกอบด้วยปัญญาบางดวงมีสติเฉยๆไม่ประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่เกิดปัญญาตลอดเวลานะปัญญาตลอดเวลาก็เหนื่อยตายเลยนะไม่ได้เปลี่ยนอย่างนั้นดงนั้นจริงๆจิตเกิดเราก็ดับทั้งสิ้นนะความที่ท่านไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตรงที่ท่านไม่ยึดถืออะไรทั้งหางเพราะฉะนั้นะโลกเนี่ยสังขารนะขันทั้งหลายนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดนะแต่ท่านไม่ยึดถือมัน มัเกิดแล้วมันดับไม่เกี่ยวกับท่านสภาวะที่ไม่ยึดไม่ถืออะไรนะโลง่งว่างนะตัวนี้มันเหมือนเสถียรในสภาวะที่สมมนัดเกิดขึ้นตัวนี้ก็ยังเสถียรอยูนะ่ตัวที่ไม่ยึดถืออะไรนะเป็นกิริยาทั้งนั้นเลยทุกสิ่งที่ทําขึ้นมาเรียกว่ากิริยาทั้งนั้นเลยไม่เคยเข้าไปเสพอารมณ์เลยนะแต่ถามว่ามีความสุขไหมมีที่สุดเลยมีโดยไม่เสพเป็นเรื่องแปลกนะอยู่ที่พวกเราแล้วจะหัตภาวนา ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหลนะเนาะตั้งใจไว้อย่างเดียวชา้นนี้ไม่จบชา้นิหน้าเาใหม่นะตั้งใจไว้ใครจิตฟุง้งซ่านบ้างยกมือสีนี่ด้วยนะนี่ด้วยเนะี่ยผู้ไายปากแข็งมีหลายคนใครเพ่งบ้างยกมือขึ้นเนะนี่ยเพ่งผู้ลายปากแข็ง ใครรู้สึกมีความสุขยกมือซิใครรู้สึกเฉยเฉยใครรู้สึกทุกข์ดูไปอย่างที่มันเป็นเห็นไหมความรู้สึกสุขความรู้สึกเฉยเยความรู้สึกทุกข์นะเป็นสิ่งแปลกปลอมไม่คงที่หรอกนี่เราภาวนานะหัดดูสภาวะไปมันยากอะไรอมีความสุขไม่รู้หรือรู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้แค่นั้นเองอะ การภาวนาง่ายจะตายโดยเฉพาะการดูจิตดูใจน้ ง, ง่ายที่สุดเลยเพราะการดูจิตเนี่ยมันเหมาะกับคนทั่วๆไปคนธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ต้องทรงชานแต่ดูกายยากนะดูรูปนี่ดูยากที่สุดเลยอย่างยกมือให้ดูเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นมือมือไม่ใช่รูปนะกว่าจะเห็นรูปได้ลาบากในน้ำเนี่ยมีดินไหมในน้ำมีไฟไหม น้ำไม่มีมอุณหภูมิอ่ะ <c oughs> <c oughs> มโอ้กว่าจะรู้รูปนะยากนะยากต้องทำสมาธิให้ดีนะใจตั้งมั่นแล้วค่อยรู้ไปรูปตัวแท้ๆของมันคือตัวธาตุธาตุกรรมฐานนี่ทำยากที่สุดเลยนะงั้นเราดูในสติปัฏฐานนะกายานุปัสสนามีหลายบับบับสุดท้ายคือธาตุใช่ไหมจำจำไม่รู้นานแล้ว <c oughs> ไม่ได้อ่านนาน นธาตุดูยากนะเราจะเห็นธาตุเพ่งเป็นรูปตัวจริงอย่างดูปฏิกูลณสุภาษณนะอาหารเป็นปฏิกูลดูอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอันนี้เป็นสมถาก ร, รมฐานนะรู้ลมหายใจนะ ส, สติปัฏฐานอันแรกกายานุปัสสนาเริ่มจากลมหายใจไหมลมหายใจอิริยาบทเลยนะลมหายใจเนี่ยเป็นสมถาก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้นะรู้อิริยาบทรู้ธาตุรู้อะไรพวกนี้นะ อันนี้ทำวิปัสสนาได้ง่ายแต่รู้อิริยาบถก็ทําสมถะได้ให้เพ่งอิริยาบถไหมนะก็ทําได้รู้ธาตุทาทเป็นสมถะได้ไหมได้ไปเพ่งธาตนะุเพ่งธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเพ่งเอานะก็สมถะเหมือนกันหมดนะงั้นดูอย่างนะเรื่องรูปเนี่ยนามนีดูง่ายใครไม่รู้จักโกรธนะรู้จักทุกคนใช่ไหมใครไม่รู้จักโลภ ใครไม่รู้จักหลงใครไม่รู้จักดีใจเสียใจใครไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุก์มีไหมใครไม่เคยอิดชามีไหมใครไม่เคยกังวลใครไม่เคยกลัวมีไหมนะไม่มีหรอกนั้นสภาวะทางจิตใจเนี่ยเป็นสภาวะที่พวกเรารู้จักอย่างช่ําชองอยู่แล้วนะเนี่ยคุณงูเหลือมเนี่ยเขาไปรวมมาแต่เดิมหลวงพ่อเคยบอกหลวงพ่อรวมไม่ได้200รกว่าคำนะคุณสันติฉายางูเหลือม เ ข, เขียนได้กล้องมีมงเล็บงูเหลือมไหมนะคนสันติงูเหลือมเนี่ยไปรวมมาได้สามอหกสิบว่าคําแล้วขี้เกียจรวมต่อเลยเอาไว้แค่นี้นะคนไทยนะ่ประณีตมากเลยความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะแค่รู้ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงอะ่ะให้ความรู้สึกมันเกิดนะแล้วก็รู้ไปว่าอ๋อตอนนี้ใจเราสุ k นะอตอนนี้ใจเราทุกนะใครรู้อย่างนี้นะแค่นี้แหละ มันยากไหมไม่ยากที่จะรู้นะแต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองงั้นะเราหัดดูจิต ด, ดูใจแนละ้วดูสภาวะไปแล้วสภาวะทั้งหลายจะแสดงไตรลักษณ์เกิดแล้วก็ดับให้ดูตลอดเวลานั่นะแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะอย่าไปวาดภาพวิปัสสนายากนะวิปัสสนาไม่ยากหรอกใครยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิน้นะค่อยๆรู้ไปไม่ยากอะไรถึงวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาแนละ้วจิตก็ไม่ใช่เราหรอก จิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะชั่วสั่งไม่ได้ซะงั้นไม่มีเราหรอกน ะ, ะแปดโมงเคินไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับนิมนต์